ลำดับนั้นอาจารย์ผู้วิสัชนาจึงเอาคำโจทย์มาว่าสืบต่อไปเล่าว่าดูก่อนอาจารย์ผู้โจทย์เจวเธอยาสิถ้าท่านจะมีคำขึ้นมาอีกเล่าว่าวัตมานานาังปิอาภาโวนิพานังสภาวะดับขันอันเป็นปัจจุบันมีได้มีขันเป็นปัจจุบันนั่นแหละได้ชื่อว่านิพพาน ถ้าท่านจะมีคําโจทย์อีกชะนี้นายุตตังคําของท่านก็ยังไม่ได้ยุติสมควรก่อนเหตุใดเหตุภาวะแห่งนิพพานเกิดแต่ภาวะยังมีแห่งปัจจุบันนาคันนั้นเตสังอาภาวะสัมภวะโตเหตุว่าปัจจุบันนาคันไม่มีแล้วก็ไม่มีพระนิพพานในยะหนึ่งว่า ขันอันใดม่ได้มีขันอันนั้นก็มิได้ชื่อว่าปัจจุบันนัขันตกว่าในที่อันนี้มีนัยยะอธิบายแห่งท่านผู้เป็นดีกาจารวิสัชนาว่าวัตตมานาเจเนสันตินะสันติเจเนวัตตมานาขันอันใดเป็นปัจจุบันขันอันนั้นมีอยู่โดยแท้ ขันอันใดไม่ได้มีแล้วขันอันนั้นก็ไม่ได้เป็นปัจจุบันแต่ข้อซึ่งท่านว่าไม่ได้มีขันอันเป็นปัจจุบันได้ชื่อว่านิพพานนั้นคำของท่านเองก็ขัดตัวท่านอยู่เองเมื่อขันเป็นปัจจุบันมีอยู่แล้วดังรือแล้วมากล่าวว่าไม่มีเล่าเป็นปัจจุบันแล้วก็มีอยู่เป็นแท้ จึงจะเรียกว่าปัจจุบันได้นี่หละท่านพึงเข้าใจว่าข้อซึ่งท่านปฏิเสธว่าปัจจุบันไม่ได้มีนั้นปฏิเสธผิดสภาวะมีปัจจุบันนักขันอยู่นี่อีกให้สมเร็จพระนิพพานได้อัญะตรัสรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้นก็อาศัยแก่ปัจจุบันนักขันถ้ามิได้มีปัจจุบันนักขันเป็นที่อาศัย ก็มิได้สำเร็จพระนิพพานเพราะว่าพระนิพพานนี้เป็นอารมณ์แห่งพระอริยมรรคและพระอริยผลพระอริยมรรคที่กระทํานิพพานเป็นอารมณ์จะมาบังเกิดได้นั้นย่อมอาศัยซึ่งขันทั้งห้าอันเป็นปัจจุบันถึงบุคคลที่บังเกิดในอรูปภพมิได้มีรูปขันก็ยังมีแต่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขัน วิญญาณขันธขันที่เป็นปัจจุบันนั้นเป็นที่รับรองอยู่พระอาริยมรตซึ่งกระทําพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นจึงจะมาบังเกิดได้นักปราดพึงสันนิฐานเข้าใจเถิดว่าอุปปจาระชาวนะอนุโลมาชาวนะและโคตรภูชาวนะบังเกิดมีในมรรควิถีนั้น แต่ล้วนจัดเป็นปัจจุบันวิญญาณณขันทั้งสิน้นถึงมรรคจิตผลลจิตที่กระทําพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นเล่าก็จัดได้ชื่อว่าวิญญาณณขัน์เป็นปัจจุบันเพราะเหตุนี้จึงเห็นว่าพระนิพพานจะประพฤติเป็นไปได้สําหรับพระนิพพานนั้นอาศัยแก่มีปัจจุบันณขันถ้าไม่มีปัจจุบันณขันเป็นที่อาศัยแล้ว ก็มีอาจจะได้สำเร็จพระนิพพานดูก่อนอาจารย์ซึ่งท่านจะเห็นว่าไม่มีปัจจุบันนัขันเป็นนิพพานนั้นไม่ควรถ้าท่านเห็นยืนไปดังนั้นคำที่ท่านว่าพระอริยะได้สมเร็จสอุปาที่เสสนิพพ า, านธาตุดับแต่กิเลสเบญจขันยังไม่ได้ดับคำอันนี้ก็จะผิดสอุปาที่เสสนิพพ า, านธาต ก็จะมีได้มีนี่สิไม่เป็นกระนั้นสาวุปาที่เสสนิพนธาตมีอยู่พระอริยมรรคที่กระทําพระนิพพานเป็นอารมณ์อาศัยซึ่งปัจจุบันนัคขัแล้วและบังเกิดนั้นมีอยู่โดยแท้พระอริยบุคคลที่จะสําเร็จสาวุปาที่เสสนิพานธาตดับแตกิเลส เบนจขันอันเป็นปัจจุบันยังมิได้ดับยังทรมานอยู่โปรสัต ท, ทั้งปวงนั้นถ้าจะนับมีมากกว่าร้อยกว่าพันมากกว่าหมื่นกว่าแสนนี่แหละเราจึงเห็นแท้ว่าข้อซึ่งท่านจะถือเอาอธิบายว่าวัตมานานังอาภาโวนิพานังสภาวะไม่มีปัจจุบันนักันเป็นนิพพานหาควรไม่ ดูก่อนอาจารย์ผู้โจทย์เจวะเธอยาสิถ้าและท่านจะมีคําเสียดเข้ามาอีกเล่าว่าตัทากิเลสานังอาวัตตมานานังโทโสข้อซึ่งว่าไม่มีปัจจุบันนัครันเป็นนิพพานนั้นคําของเราหาผิดไหมเหตุใดเหตุซึ่งว่าปัจจุบันนัครันนั้นเราว่าด้วยกองกิเลสต่างหาก รูปปัจขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันนั้นเราหาได้เรียกว่าปัจจุบันขันไม่แท้จริงในขณะเมื่อพระอริยมรรคประทมพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วและบังเกิดในลำดับแห่งโคตรภูวัฒนานั้นพระอริยมรรคจะได้กําจัดกิเลสขันด้วยตนเองหามิได้กิเลสขันนั้นสิ้นไปด้วยอํานาจอนุโลม บังเกิดพร้อมด้วยอนุโลมชวนาทั้งสามนั้นแล้วอาศัยเหตุที่กิเลสขันสิ้นไปก่อนกิเลสขันไม่มีในขณะเมื่อพระอริยมากบังเกิดนี่แหละเราจึงเห็นอธิบายว่าสภาวะไม่ได้มีแห่งปัจจุบันนคัค น, นั่นแหละเป็นนิพพานถ้าท่านจะมีคำเสียดเข้ามาชนี้นายุท ต, ตังคำของท่านยังไม่ยุติสมควรก่อน เหตุใดเหตุว่าถือเอาอธิบายชนนี้แล้วพระอริยมรรคก็จะถึงซึ่งภาวะหาประโยชน์ไม่ได้อันพระอริยมรรคนี้กอบด้วยประโยชน์มากกว่ามากตัดรากตัดเขาตัดมูลแห่งกิเลสธรรมทั้งปวงได้กิเลสที่สิ้นไปด้วยอำนาจอนุโลมยานในขณะอนุโลมชวณะทั้งสามนั้นสิ้นไป ทั้งกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดแต่บรรดากระทาให้ขุนให้หมองในคลองพระอริยมรรคกิเลส ท, ที่เป็นมวลทินปิดป้องกำบังไว้มิได้เห็นซึ่งพระนิพพานธรรมนั้นเล่าอนุโลมชวนะก็กำจัดเสียได้สิ้นเสร็จจะยังเหลืออยู่ก็แต่อนุัยอนุใสเป็นรากแก้วอันยังลงเป็นอันมากนั้นอนุโลมชวนะ มีอาจจะรื้อถอนขึ้นได้อนุโลมชาวนะกำจัดได้แต่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนี้มีครุวานาดุดดังว่าบุคคลสามจำพวกอันเก็บซึ่งผลมะม่วงพวกหนึ่งเป็นปฐมนั้นเก็บผลบรรดาแต่ที่ใหญ่ๆนำไปจนสิ้นเชิงพวกเป็นคำรบสองนั้น เก็บผลแต่บรรดาที่เป็นถ้ำกลางได้สิ้นแล้วก็นำไปพวกที่มาภายหลังเป็นคำรบสามนั้นล้างเอาจนสิ้นทั้งตน้นลูกเล็กลูกน้อยเก็บเอาจนสิ้นเชิงและต้นมะม่วงนั้นเมื่อหาผู้จะตัดต้นตัดรากมิได้รุ่งขึ้นปีหน้าถึงกำหนดเทศกาลแล้วก็จะออกช่อออกผลอีกเล่าจะได้ขาดได้สิ้นหามิได้ ยถาอันนี้แหละมีครุวนาชันใดผลมะม่วงอย่างใหญ่อย่างกลางอย่างน้อยนั้นมีอุปมาอดังกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดบุคคลสามจำพวกที่เก็บมะม่วงนั้นมีครุวนาดุจ ด, ดังว่าอนุโลมชวนะทั้งสาอันกําจัดกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดและกิเลสที่กําจัดจากสันดาน ด้วยอำนาจอนุโลมมชวนาทั้งสามนั้นถ้าหาพระอาริยมักจะตัดเขาตัดมูลคืออนุัยเสียมิได้อนุสัยยังมีอยู่ตราบใดกิเลสก็จะกลับคืนมาบังเกิดสืบต่อไปได้ในจิตตาสันดานมิได้เด็ดขาดตราบนั้นมีคารุนาดุดผลมะม่วงอันสิ้นไปแล้วอาศัยต้นลำต้นมีอยู่และกลับเป็นช่อเป็นผลอีกเล่า แท้จริงอนุโลมายานซึ่งบังเกิดพร้อมด้วยอนุโลมชาวนะนั้นมีสังกตตธรรมซึ่งบังเกิดพร้อมด้วยอนุโลมชาวนะนั้นมีสังกตตธรรมเป็นอารมณ์เหมือนกันกันกบวิปัสนาญาณทั้งปวงมีอาจลากิเลสให้เป็นสมุทเฉทะปะหานได้อันกิเลสจะเด็ดขาดจะกลับคืนบังเกิดอีกไม่ได้นั้นด้วยอำนาจพระอริยมรร พระอาริยมรรคเป็นผู้ตัดต้นตัดรากเห็นปานชะนีและท่านจะเห็นไปว่าพระอาริยมรรคไม่ได้กําจัดกิเลสทั้งสิ้นมิได้สมควรดูก่อนอาจารย์ผู้โจทย์แต่บรรดาคําของท่านที่กล่าวมาจําเดิมแต่ต้นว่าผานปุถุชนหาได้นิพานไม่และไม่มีพระนิพานนั้นก็ดี คำที่ว่าสัมมาปฏิบัติเป็นอนาวัชธรรมด้วยสามารถตัดกิเลสแล้วและให้ถึงดับขันจะได้เป็นอนาวัชธรรมด้วยสามารถให้ถึงพระนิพพานนั้นหาไม่ได้คำอันนี้ก็ดีอติตานาคตาภาเวนิพานาทิคโมคำที่ท่านว่าไม่มีอดีตขันอนาคตขันเป็นนิพพานนั้นก็ดี คำ ท, ที่ว่าไม่มีปัจจุบันนัขันเป็นนิพพานนั้นก็ดีอาการะนังคำทั้งปวงนี้ใช่เหตุใช่ปัจจัยใช่ที่ใช่ฐานที่จะเชื่อฟังเอาเป็นหลักเป็นประธานได้ปเควะก็จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงคำที่ว่าอิเลดไม่มีในขณะพระอริยมรรคบังเกิดและเป็นนิพพานนั้นเล่า ข้อซึ่งว่ากิเลสไม่มีในขณะที่พระอริยามรรคบังเกิดนิพพานคำอันนี้เป็นละที่อันผิดใช่เหตุใช่ปัจจัย